สาทุชนพุทธบริษัททังหลายว่าเรามีสิทธิ์จบไปแล้วอันนี้ต่อแต่นี้ไปก็มาพูดถึงพระสกิทาคามีเห็นว่าเรงการปฏิบัติเพื่มรักผลนิภายก็คงจะเป็นของไม่ยากขัรนดาท่านพุทธบริษัทพระโสดาบันเท่านั้นที่เราแยากขึ้นกันได้ยากเพราะว่าเป็นของใหม่ ถ้าถึงพระโสดาบันแล้วเราจะปฏิบัติตนเพื่อพระสิกขาคามีนาคามีอารสาธาผลตอนนี้เป็นของง่ายอันพระพุทธสัพพุทธโคสาจารย์ท่านพูดไว้ในวิสุทธิมัตต์ท่านบอกว่าถ้าบุคคลผูดด้ใดเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดจงทําตนให้เข้าถึงเป็นอารสาตธาผลในที่นั่งอันเดียวนั่นเอง นี่เป็นเจตนาของท่านที่กล่าวไว้ด้วยดีแต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแ่ะการเป็นบาโสดาบันนี่ยากคำไม่ยากก็เพราะว่าเป็นของใหม่กับจิตใจของบรรดาท่านพุทตรบริษัทเพราะจิตใจของเรานี่คบกับอกุศลมาตลอดเวลา ถ้าเราจะมาตั้งหน้าตั้งตาคิดว่าจะทำไปให้กว่าตนให้เป็นประโสดาบันอกุศลที่เป็นเพื่อนเก่าของเานั้นมันก็จะเข้าประหัตประหารมันจะทารลับพยายามเข้ามาทําลายแต่ก็ไม่เป็นไรเราฟังบา ร, รมีกันมาแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าจะฟังบา ร, รมีแต่ฟัียงย่อก็พอเข้าใจแล้วว่ากาลังใจของเราครบทนบริบูรณ์ แต่กำลังใจของเรายังไม่ครบทนบริบูรณ์เราก็ไม่ต้องอยุ่งทำให้ไม่ครบทนบริบูรณ์เสยก่อนถ้ากำลังใจในด้านปฏิบัติบารมีสิบปรการครบทนเป็นปกติคำว่าบริบูรณ์นี่เห็นตามนั้นเป็นปกติไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลง จะนั่งอยู่ยืนอยู่เดินเดินอยู่นอนอยู่ทํากิจการยังไงก็ตามจะไปนั่งในวงเล่าเมากับชายก็ช่างเราจะไปอยู่ในสังคมไหนก็ช่างเราอาจจะพูดคุยตามใจเขาได้แต่ว่าจิตใจของเราไม่เป็นไปตามนั้นนี่ทิบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเป็นสิ่งที่เราควรสนใจน่าจะสนใจตามนี้ อันพุทธบริสัทธ์นหลายเห็นดีด้วยไหม <c oughs> เห็นดีแล้วไม่เห็นดีด้วยเกิดตามใจตอนนี้เรามาพูดกั่ถึงพระสกิทาคามีเราเป็นแบโสโนดาบันแล้วมีศีลบริสุทธิ์ดูแล ว, วัต่ภาพร่างกายของเรามันจะพังเราเชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้า เราไม่สงสัยในคำสอนของพระองค์ว่าด้วภาพแรงกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะหาความสุขในการตัดร่างกายคือห <c oughs> นีร่างกายให้คนไป <c oughs> แล้วถ้าว่าพระโสดาบันถ้าเราปฏิบัติได้มันก็ยังอาดีไม่มากนะัก เพียงแค่คุมศีลไว้ให้เป็นปกติไม่ละเมิดในศีลยังมีความพอใจในกามารมณ์แต่ก็อยู่ในขอบเขตของศีลแล้วก็เราไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระโสนาบันไม่ประมาทคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปกติถ้าเราตายเราปรารถนาพระนิพพานพระโสดาบันเป็นผู้มีสติปัญญามีศรัทธาสูง <c oughs> มีความมั่นในคุณพระรัตนตรยัยนิรามานั่งมองดูพระสดาบันแล้วก็คิดว่าเป็นพระสดาบันก็ดีแต่ถ้าว่าเวลาการที่ความวุ่นวายของจิตนี้มันยังมากเราเห็นว่าไม่เป็นเรื่องเปลืองเวลา ทำไมเราจึงจะต้องไปยุ่งกับไอ้กามาราคะความพอใจในการมากุลความมีผัวมีเมียทั้งเต็มบัลลีความสุขบลกในพอใจอยู่ในความร่ำรวยเกินไปแล้วยังเราก็ยังจะมีความพอใจในขันห้าความสวยสดงดงามมีความจริงใบสดดาบันไม่ละเมิดในสินห้า แต่เท่ว่ายัางยังยุ่งอยู่ในกามารมย์ยังยุ่งอยูอย่ในความรวยเราเห็นว่ากามารมย์ทำให้เราเป็นทุกข์ความร่ํารวยไม่ได้สร้างความสุขใจให้เกิดแก่บุคคลใดเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะทํายังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททุ้นก็ใช้ปัญญาบา ร, รมีกับบารมีทั้งสิบระการ เข้ามาประหัตประหันอารมณ์ดีและอัตภาพร่างกายนี่มันเป็นเราเป็นของเราให้นักขึ้นนอกจากว่าเห็นไดเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ยัเห็นความสุกไปส ม, มมของมันหนักขึ้นจึงเมืทั้งเกิดความเบื่อนหน่ายมีความสะอิดสะเอียนในร่างกายของเราและบุคคลอื่น <c oughs> ตอนนี้จะถามว่ามีกรรมฐานบทไหนเป็นเครื่องยึด ไม่ตอบแล้ววันดาท่านพุทธบริษัทเพราะการย้ยขึ้นเป็นพระโสดาบันนี่มันต้องครบมาทุกอย่างแล้จะมันนั่งบอกกันอยู่อีกหรือไม่มีความจําเป็นถ้ายังจะต้องนั่งบอกกันอยู่อีกก็สแสดงว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันจะเป็นกันได้ยังไง กรรมฐ า, านหยาบๆในด้านสมถะภาวนานี่เขาต้องบุกแหลกกันมาตั้งแต่ก่อนเป็นปะโสดาบันมันจริงจะเป็นปะโสดาบันได้แต่ถ้าว่าสมถะภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ต้องคุมอยู่ไม่ใช่ว่าผ่านมันแล้วก็ทิ้งกันไปแต่ถ้าจะมานั่งถามกันบอกว่าตัดเพ่ออะไรธรรมาถามในตัวเองจะไม่บอกให้ฟังเลย อั้นี้พราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่จะต้องถามมันไม่มีมันผ่านมาแล้วแม่ว่าตอนนี้เป็นตอนพูดให้ฟัง <c oughs> ก็จะพูด <c oughs> การที่เราจะห้ำหัน่หนเริ่มนาเกายทิฏฐิทําลายกรร ม, มาฉันทะเพราะว่าความทําลายความรู้สึกธิของกรรมให้มันลดน้อยถอยลงไปนี่ถ้าเราจะมาพูดกันเรื่งสกิทาคาเมอาตมาว่าไม่ดีเอาอาณาคามีะไรดีกว่า เพราะสกิธาคามีก็ละสังโยคได้แค่ปะัศดาบันเป็นได้เพียงว่ารมจิตละเอียกว่าความรู้สึกในกายยังพอมีจะเบาบางมาก <c oughs> มันมีอาการคล้ายกับว่าคนมีอะไรล่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรเขาเรียกมีความรู้สึกในกายมันไม่มีเนะี่ยมันยุ่งๆแสดงนึกสับไม่ออกก็ช่างมัน ว่ามีความรู้สึกในกามน้อยมันก็ยังมีอยู่แต่ความโกรธความเช่บาดมันก็น้อยแต่ก็ยังมีอยู่แล้วเอากันไม่มีเลยดีกวา่าเป็นพระนาคามีดีไหม <c oughs> เอากันพระนาคามีพระสกิทาคามีนี่เป็นพระโสดาบันมันก็ของง่ายกระยับใจขึ้นไปนิดไปหน่อยมันก็ถึงนี่แต่เราจะตั้งเป้าหมายเ็าหาพระอานาคามีเขาทากันยังไง กรรมฐ า, านตัวสำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคือเอาสุภกรรมฐ า, านกับกายคตานสุสติกรรมฐ า, านเอาเป็นตัวยืนรองเขาไว้มองเห็นอตาภาพร่างกายเราหรือบุคคลอื่นมาเป็นซากศพไปหมดไปเป็นของสุกบรกถ้าไม่เกิดนิพิทายางความเหนื่อยหน่ายจริงๆรังเกียจด้วยรายการท่องปวง แม้ทั้งไม่มีความรู้สึกว่ามีความต้องการถ้าพร้อมกันนั้นก็พิจารณาไปในอำนาจด้วยอํานาจสักดิ์ิรีวันนอกจากสกปรกแล้วตัวนี้ยังเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของใครทั้งหมดมันเป็นรืนร่างที่กินเละตันหาวปลาทานสร้างขึ้นมาลอกคนโง่ให้หลงอยู่เท่านั้น เราจะไปยุ่งอะไรมันมองตรงไหนก็สขปรกมองตรงไหนก็เละเอะเทอะเต็มบริ้ความสปกสปรกโสมมมีมตบดรีกุลโสขเ ข, ข้าหาความดีอะไรไม่ได้ทำใจให้มันเต็มตอนนี้ใช้ปัญญาพิจารณาจริงจงมองเข้าไปทะลุภายในอย่าทำปัญญาลอยชายอยู่ภายนอก ทำเป็นบุคคลเจ้าสำนวยคิดบ้างไม่คิดบ้างอันนี้ใช้ไม่ได้คิดมันอยู่เสมอให้อารมณ์ใจมันปกติเป็นของธรรมดาไปเลยยืนโรอเห็นใครก็สกปรกเห็นใครก็น่าเกลียดนอกจากสกปรกนอกจากสกนาเกลียดแล้วเป็นปัใจจัยให้เกิดความทุกตัวทุกทางนั้นของเหม็นเราเข้าไปใกล้มันสุกลมันทุก ของสุดส้มที่มันไม่มีการทรงตัวเรารักษามันไว้เราสุขแล้วเราทุกข์เรามันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทใจเบื่อหน่อยทําใจสลายลทาลายให้มันพินาศไปจะไม่ทุกข์ความรักความพอใจ <c oughs> ให้เพื่อพิจารณาให้มันเห็นจริงจริงจกรท่่นจุดจิตมันยืนนิ่เงเห็นคนสวยคนสมั แทนที่เราจะนึกว่าสวยให้นึกว่าจะสมัครแต่ถ้ว่าเราเห็นนี้เป็นซากศพไปเป็นของสกปรกเปที่หน้าใสอิสเอียนไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พอใจสําหรับเรารังเกียจ ด, ด้วยประการทั้งพวงนี่แป ร, รมเขงพัฒนาคามีแต่จิตมันเข้าถึงจุดนี้และบรรดาท่านพุทธกริสัตว์อำนาจของกามารุมในใจมันไม่มีเลย มันกลายเป็นคนไม่สู้คนไปเส้นแลพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้อามาสุจิมันเหือดแห้งไปแล้วก็ความรู้สึกในกายในใจมันไม่มีในการมาลมองค์กำเนิดของแต่ละคนหมดหมดนิดไม่มีกำลังถ้าว่าท่านสงสัยก็ปฏิบัติให้มันถึงก็นแล้วกัน ถามว่าเพราะอะไรแร่างกายมันสร้างสภาวะเข้ามาแบนอย่างนั้นใจจึงทําลายได้อันนี้ไม่ตอบจะตอบได้อย่างไงพันดาแทนพุทธบริษัท ต, ตอบไปเท่าไรก็ไม่หมดสงสัยทําให้มันถึงและมันหมดสงสัยเองมันถึงจริงๆมาเริ่มหน่ายของความโกรธความเพียบบาปพระศดากระสีทาคา ม, มันยังมี แต่กำลังมันน้อยมันสุดตัวแล้วมาถึงอนาคามีใช้พรหมวิหารสี่หรือกรสินสี่เป็นตัวเย็ยนลงวันาวนี้ไม่ต้องเกะกะมากไ <c oughs> อเรื่องอารมณ์ที่จะเข้าไปสู่อกุศลมันไม่มีอีกแล้วนี่มันมีอย่างเดียวพุ่งขึ้นใน่งการต้องแสวงหาเป็นกรามฐานให้ตรงอัตยาใสาตอนนี้ไม่มีตัดไปแล้ว ให้เมตตาบารมีคือพรมิหารสีรุกรสินอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วตั้งทรงตัวเขาไว้งองทรงตัวเขาไว้เห็นโทษแพีงความโกรธ ค, ความเพยียบบาตรจิตใจจะทรงไปด้วยนัดพรมิหารสีเป็นปกติมีแต่ความเยือกเย็ยนรักแปรสงสารเส่นแล้วเราจะโกรธกันได้ยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ตอนนี้ไม่ใช่พะมีานสีแล้วก็ใช้กายคตานุสติว่าเราจะโกรธเขาเพราะประโยชน์อะไรเขาต้องตายเขาต้องมีทุกข์เขามีทุกข์อยู่แล้วเขาตายอยู่แล้วไม่ต้องไปเข็งข้ามีแต่หน้าเวทนาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบโรดีศาสดาท่านที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นมีความผิดคิดชั่วทำตัวให้เกิดความทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้มันทรงตัวและเอาอะไรไปโกรธ เอาอะไรไปคิดว่าทุสร้ายเขาเท่า น, นี้ก็เป็นประสงเป็นได้อนาคามีแล้วไม่ยากอะไรเล ย, เยมันยากที่ที่ประส ด, ดา บ, บันเท่านั้นจบกันหรือยังละ่ะจะจบทำไมเวลาเลยสิบห้านาทีวิ่งชนอรหันเลยวันนี้ บารมีของท่านเต็มแล้วมันเป็นของง่ายจะ่นีบอกว่าพระพุทธโคสาจารย์ยินดีกล่าวไว้ว่าถ้าเป็นพระโสดาบันในที่นางอันใดจงทำใจของท่านเองให้เข้าถึงความเาบื่อ阿拉ตะผลในที่นางอันเดียวนั้นว่าตอนหลังนี่นง่ายเพราะถึงถึงอนาคามีแล้วเหลืออะไรที่เป็นกินเลสมันเป็นอุปกริเลสอนุัยตัวเล็ก เป็นของเด็กเหมือนก็ลูกน้ํานี่เราฆ่าได้คแค่ได้โคงตายหมดเสือสางช้างมาฆ่าตายหมดเหลือแต่มดกับลูกน้ําแต่ก็ต้องระวังให้ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทลูกน้ําแล้วก็มดที่มันจับยากเหพื่นกันตัวมันเล็กแต่ถ้าว่าถ้าอารมณ์จิตหลงเราเข้าถึงอนาคามีเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะเล็กขนาดไหนเราก็จับไหวอารมณ์ที่มันยังขังใจอยู่มีตรงไหนละ่ะมีห้าข้อตอนนั้น ถ้อรูปอรายคาเห็นว่ารูปอรชานเป็นของดีอรูปอรายคาเห็นว่าอรูปอรชานเป็นของดีแต่ความจริงมันก็ดีแต่ว่าดีกว่านี้มันยังมีอยู่อีกเราไม่หยุดดีแค่การทรงรูปอรชานและอะรูปอชานเก้าดีต่อไปแล้วก็ข้อต่อไปที่สามมานะความถือตัวถือตน เอาอย่างนี้ก็าลกันคนจนคนรวยคนสกปลกก็คนสะอายเข้ากันไม่ได้คนกับสัตว์ทิ่ใจฉานถือตัวเหนือกว่ากันอย่างนี้มันเป็นกิเลสมันเป็นตัวถวงอารมณ์อย่างนี้ยังพอเหลืออยู่ทําลายมาให้พินาศไปอีกอันหนึ่งก็ออุตจาอารมุมที่พุงสัานตอนนี้พร ะ, ะพระมหารามเคยถามพระพุทธเจ้า ว่าพระองค์บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามี <c oughs> ตอนนี้ยัพูดเร็วไปสักหน่อยจะรีบเกินไปเป็นพระอนาคามีอารมณ์พู่งสั้นยังทำไม ย, ยังมีอยู่แต่ว่าสั้นไปได้ดสุสุนองค์สมเด็จพระทศพนก็ตอบว่ามันยังมีไปตัดได้ที่อะรหรันอารมณ์ที่ไม่พู่งสั้นในไปอะรหันเท่านั้นหนอนนั่นยังมีอยู่ยังปากหลักไม่หยุด คือหลักมันจะมีความหวั่นไหวยุบ้างไม่ไหวมากมันก็ไหวน้อยถ้าพระละหันมันก็เหมือนกับเสาเขื่อนไม่หวัน่นไม่ไหวในข้อสุดท้ายก็คืออวิชชาความโง่ตอนนี้เราจะเข้ามาตัดกันตอนไหนบรรดาท่านพุทธบริจัติ <c oughs> ขอหนะน้อห้ารายการนีรูปปัจจานะรูปปัจจานี้เป็นของง่ายถ้าเรารู้ว่าความเป็นละหันอย่างดีกว่านี้ เราก็ารูปปัจจันและรูปปัจจันทร์สมรการเป็นกําลังช่วยระคับระคลองเปนะ็นพาะวิ่งเข้าไปหาความเปาา็นอรหัตผลเพื่อเราไม่หยุดอยู่ตรงนั้นเท่านี้มันก็หมดไปนี่ตัวที่ถือตัวถือตนคนดีอารมณ์พุ่ไงไส้คนดีไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดและวไปตัดตัวปลายกับวิชาเลยดีกว่า ตอนไอวิชาบัรใต้ก็ตรงไหนดับบรรดาท่านพระตุภูตวิสัยก็จับสกายทิฐิตัวนั้นตัวเดียวตัวเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราตอนนี้นักเจริญมีปเ ส, สนนาอาจารย์นหลายจะเห็นว่าตะมาพูดย่อเกินไปเขาใช้คำว่าขันหะแต่ตะมาไม่ชอบเวลาปฏิบัติมาจริงๆก็ไม่ชอบเหมือนกัน แล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าร่างกายก็คือขันห้าขันห้าก็คือร่างกายแล้วเราก็พูดแกเสียจนชินแล้วนี่ว่าร่างกายร่างกายจะไปนั่งเรียดขันห้าให้มันยุ่งเพื่อประโยชน์อะไร <c oughs> ไม่ต้องระวันนั่งตาคิดพิเจอหน้าดูว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วความปรารถนาคือการคือว่าฉันทะความพอใจ ในการที่เราจะยึดถือความเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวนาครพผมทําไมจริงจะต้องมีสําหรับเราอีกเพาว่ากายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวนาครก็ดีเป็นพรมก็ดียังอยู่ในเกงของความทุกข์ถ้าไม่เอาอย่างนั้นเราจะมาคิดว่ามนุษย์ไม่ดี <c oughs> ร่างกายที่ประกอบไปด้วยขันห้าไม่ดีมันมีความทุกข์เราไม่ต้องการ เราต้องกายกายทิพย์คือกายพระเรวดาหรือกายผรมนี่ถ้าหลงอยู่ในกายเทวดาแหรือกายผรมก็ยังเชื่อว่ายังหลงอยู่ในรูปชาญแล้วรูปชาญนั่นเองแล้วก็วันนันค์นึกว่าเทวดาหรือพรมเนี่ยดีหรือถ้าอาจารับพูดกับคนเรวดาก็ต้องตอบว่าดี ทำไมมันจะไม่ดีก็เพราะว่าเทวดาก็มีร่างกายเป็นทิพย์พรหมก็มีร่างกายเป็นทิพย์มันเป็นทิพย์เหมือนกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ต้องดีแต่มันดีกันตรงไหนล่ะดีที่ร่างกายเป็นทิพย์ไม่ต้องกินไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องหาอะไรมีเพลินได้ทุกอย่างแต่ว่าส่วนที่ไม่ดีมันยังมีอยู่อีกถ้าหมดบุญวัสนาบารมีเจ้าเทวดาหรือพรหม มันก็ต้องโดดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นอ ส, สุรกายเป็นต้นมาพบกับความทุกข์อีกพบกับความยุ่งยากใจอีกนี่มันจะดีตรงไหนแล้วก็เลยหาความดีกันมาได้นี่ใช้ปัญญาบรารมีหนทนอย่าลืมอย่าลืมปัญญาบรารมีเป็นประบรารมีครอบจักรวาลบอกแล้ว อามัญญาเขามานั่งพิจารณาว่ามีไหมเทวดาและพรที่หมดศาสนาบารมีเรามาเกิดเป็นมนุษย์เรมาเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชางเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็สัตกายมีไหมล้วก็จะเห็นว่ามีถมเทไปนี่ถ้าเข้าถึงอนนาคามีแล้วก็สบายที่คลา ม, มาสบายเลยตัวที่โยกโครงทหลายมันไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวตรง ตัวหยาบก็หมดไปแล้วเหลือแต่กิเลสละเอียดช้อนลูกน้ําก็ช้อนมดจับมดจับลูกน้ํามันตัวเล็กแต่ว่าจับยากแต่ไม่เป็นไรปัญญาบารมีนี่ถ้าเป็นแหหรือเสวิงก็เป็นแหเสวิงที่ตาทีช้อนอะไรก็ติดทั้งหมดเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านเลยสาวกพระองค์พระบรมสุขก็นั่งคลําดูให้ดี ग, ว่าพรหมกับเทวดาเนี่ยถึง ท, ที่สุดแนละ้วหรือยังพระพุทธเจ้าท่านบอกเสมอว่าพรหมเทวดาก็ต้องจุดที่ยังไม่พ้นจากความเป็นมนุษย์ไม่พ้นจากความเกิดแล้วเราจะไปนั่งสนใจอะไรจากความเป็นพรมเป็นเทวดาเพื่อประโยชน์อะไรยกเลิกความต้องการคือราคะ ความรักในความเป็นเทวันดาหรือผมยกเลิกกันไปอีกตอนนี้ไม่ต้องนั่งนั่งยกเลิกมนุษย์แล้วความเป็นมนุษย์มันไม่มีสําหรับเราอีกแล้วเพราะว่าถ้าเราเป็นพระอนาคามีตายแยกความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวันดาหรือผมก็บําเพ็ญบารมีบนนั้นเปนร า, ารนิพันธ์ไปนิพันธ์เลยเราไม่ต้องมันนั่งมองมนุษย์ให้มันเลยเมื่อยตุกตาเมืม่อยใจ มันนั่งพวงมรมเทวดาดีกว่าถ้าเราไปอยู่ที่เทวดาหรือผมก็ยังมีกิจที่จะต้องทําเวลานี้เวลาของเรายังมีอยู่เนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีมันก็เสร็จแล้วเพราะว่าเราเชื่อวองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเป็นายคาเมีและเปรลาหันไม่ใช่ของยากง่ายมากเป็นของตัวเล็กแค่มีกําลังใจเข้มแข็งไม่เกินสามสิบนาทีก็เป็นพระอะหัน อจะเป็นได้แล้วก็มันนั่งมองเท ว, วดาหรือผมไม่ดีแล้วไม่รักเนื้อความรักความพอใจมันไม่มีแล้วเราจะมาตั้งนั่งเชื่อเชิงความดีของเทวดาหรือผมเพประโยชน์อะไรมันก็พ้นไปนี่แล้วก็มันนั่งกลับหน้ากลับหลังทวนไปทนมาถึงไปเอาปัญญาบารมีเป็นเครื่องใช้ ใช้จิตอารม์พยายามค้นคว้ากําลังใจว่าเวลาที่จิตของเราเข้าถึงมรรสดาบันมันเป็นยังไงตอนจิตของเราที่เข้าถึงเป็นมรรสดาบันเราจะมองได้เฉพาะที่เห็นชัดคือสินบริสุทธิ์เรามั่นคงอยู่ในสิ่งการและวเมื่อสิ่งของเราไม่มีเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆ แต่บะธทำมเราสงเราเคารพจริงๆอารมณ์ของเราจับเฉพาะอย่างเดียวมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่นั่งมองพระโสดาบันมีตัวนี้มันไม่หวั่นไม่ไหวไปจากตัวนี้ตัวนี้ทรงอยู่ความรักความโลภความโกรธยังมีความหลงยังมีแต่ว่าไม่ขาดศีลไม่ฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ พคารพในพระพุทธธรรมแบบสองจริงตัวนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันในนี้ตอนที่เราเข้าถึงอั น, นาคามีสกิทาคามีจะไม่โพดไม่จําเป็นของเล็กๆเนี่ยพูดทําไมสกิทาคามีกับพระโสดาก็ใกล้เคียงกันยัว่ากันไปทีก็เป็นคนรุ่นพี่รุ่นน้องเท่านั้นก็แ <c oughs> ย่เปรียบเทียบ ก, กันนายได้หายก็ร้อยตรีเหมือนกัน ถ้าว่ร้อยตรีรุ่นพี่จะรุ่นน้องมันก็แค่กันนั่นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าถ้าว่ากันดาวกันดวงเขมันสูงกว่านิดที่ไปเรื่องธรรมรรดาการงานอาจจะก้าวหน้าไปกว่ากันหน่อยแล้วก็เป็นของเล็กน้อยไม่นั่งไม่ต้องมานั่งพูดนี่เราพูดทั้งในพันกันละดีกว่าอารมณ์จิตก็ถึงพระอนาคามีมันถึงจริงๆแล้วมันเป็นยังไง รู้เลยว่าเรามีกำลังใจสิ้นแล้วจะ ก, กรรมคุณเป็นคนกรรมตายได้เ น, นี่ยอารมณ์จิตมันตายด้านในการจริงๆถ้าเราไม่แน่ใจก็ไปหาหมอให้เขาฉีดยาบำรุงกรรมให้ยาอะไรก็ตามอย่างแรงที่สุดเบาที่สุดอย่างกลางให้หมอเขาไม่นิชัยไปบอกเขาว่าเราเป็นโรคคนเป็นคนเป็นโรคกรรมตายได้ ทำหมอทำยังไงยังไงหมดท่าแล้วก็ยกเลิกกันไป <c oughs> มั่นใช่แล้วเราเข้าถึงพระนาคามีแล้วคนสวยไม่มีมีแต่คนสกป ร, รกวัตถุสวยไม่มีมีแต่วัตถุสกป ร, รกความติดความพอใจในความสวยสดสวงามในคนและวัตถุไม่มีสำหรับเราใหญ่มันทรงอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้นั่นคือพระนาคามีอันดับที่หนึ่ง ยังไม่เต็มนี่พระอนาคามีอันดับที่สองก็ต้องไปดูความโกรธความพยาบาทุทนดาเป่าเปล่าเป่าเปล่าเราฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงเฉยยิ้มได้ส บ, สบายมีอารมณ์ปกติข <c oughs> ยันด่ามากด่านน้อยเขาว่าเป็นหมูเป็นไม้ก็ช่าง <c oughs> เรารู้ตัวของเราว่าเราไม่ใช่หมา เราไม่ใช่หมูถ้าเราก็ไม่ใช่คนร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราคือพระนาคามีเพราะเป็นบุคคลที่มีความโกรดความจำบาดสิ้นเป็นแล้วมีแต่เมตตาปราณีมีอารมณ์ยิ้มเป็นปกติมันยิ้มเป็นปกติไม่ใช่ฝืนยิ้มยิ้มแบบธรรมดาธรรมดา ยิ่ได้การสดชื่นจิตใจมันไม่กระทบอารมณ์แบบประเภทนี้ความเร่าร้อนไม่มีมีได้ความเยือกเกินใจตอนนี้เราเป็นพระ น, นาคามีเต็มที่และบรรดาท่านพุทธมรรสทั้งหลายความสบายไม่เกิดขึ้นมากแต่ก็ยังจุดแบ่งมันยังมี <c oughs> คืออารมณ์ในการบางครั้งมีอารมณ์ฟุ้งซ่านยังถือตัวถือตน แยกสัต ก, กับคนว่ามีค่าไม่เสมอกันคนรวยกับคนจนยังมีค่าไม่เสมอกันคนสุกภพกับคนสะอาดมีค่าไม่เสมอกันยังไม่อารมณ์ลังเกียจ ต, ตอนนี้เราจับสกายแยกทิฏฐิเข้าไปตัดมาเส้นเลยตัดชันทักะกับราคะความพอใจในความเป็นเทวดาหรือผมหรือความรักในการเป็นเทวดาหรือผมความนิยมใดๆในโลกโยนทิ้งไปหมดเลย โลกกังโลกโยนทิ้งไปร่างกายของเราเลวมันจะไปชนกับใครก็ได้เองคนสกปรกเราก็สกปรกเองคนจนเราก็จนมันจะไปรวยอะไรมันไม่จนจริงแนละมันจะตายทำไมแล้วมันจนจากความเป็นอิสระภาพ จากกินเหล็กกินเหล็กมันบังคับให้แก่ก็ต้องแก่บังคับให้ป่วยก็ต้องป่วยบังคับให้ตายก็ต้องตายเราไม่มีสมบัติใดๆที่จะไปต่อต้านกินเล็กในเมื่อร่างกายมันจะไปอย่างนั้นมันก็จนเท่ากันบนบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่นนี้มาอย่างไงล่ะความพุ่งสั่งของอารมณ์ กราเอาอำนาจบ้าเรายังหลงในรูปวิชานและรูปวิชานแล้รู้จักมานะทิฏฐิพอตัดตัวนี้เสได้แล้วความพงซ่านมันก็ไม่มีอารมณ์พอมันก็เกิดความสบายใจมันเกิดเกิดตรงไหนเกิดตรงเออความพอความสบายใจมันเกิดอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเทปตัวนี้พูดไม่เพราะแต่ไม่เป็นไรรีบขอโทษด้วยอยากให้จบ พอแล้วเพราะว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราความมาเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดาความเป็นพรหมไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราจิตใจของเราจับอารมณ์เฉพาะปฏิพันธ์อย่างเดียวมีแต่ความสุขเฮ้งใครเข้ารวยก็ดีเฮ้งใครก็สวยก็ดีเฮ้งใครเข้าโมโหโธโซรบราข้าฟังกันคนดี เห็ในใครก็ถือโน่นถือนี้ว่าเป็นเราเป็นพวกเราเรานอนสบายยิ้มแฉ่งนายถื อ, อยังไงก็ถือไปฉันสบายใจแล้วนี่บ่าวคุณโลกนี้เธออยู่ก็เถอะที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสูทั้งหลายจงมณีดูโลกนี้อันตรการ ด, ดุจรจชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ท่านพบรู้หาข้องอยู่ไม่เวลานี้เรามีกําลังใจถึงแล้วนี่บรรดาท่านพระสวัสดิ์ ทึงแล้วเราวางโลกเสร็จได้แล้วอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่มีแล้วมีแต่วความสดชื่นมีแต่วความรันษามีแต่วความสุขกายสุขใจกายมันจะเป็นยังไงก็แช่งพอกมันใจเป็นสุขถือว่าเป็นกฎธรรมดาธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหนาอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของพออระอรหันต์ ก็มันดิจใจของบรได้กานพุทธบริษัททุกท่านวางเส้นได้หมดอย่างนี้ว่าช่างมันช่างมันช่างมันหรือธรรมดาธรรมดาธรรมดาเพราะ่อว่ า, วาท่านั่นหลายเป็นผู้จบปิดคำว่าพุทธศาสนาเรื่องนี้ก็ขอยุติมาแต่เพียงเท่านี้เพราะความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี